อาดไซแล้วก็ได้เห็นลักษณะอาการของมันชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นลําดับก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือไม่ว่าจะเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่นีมันมามันก็ไปแต่มันมาไม่ถึงตัวเราพอมาถึงอาดไซมันก็สงบลงไปมันทำอะไรเราไม่ได้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 ยึดมั่นถืมั่นหรือด้วยความไม่รู้เรืยอำนาจขงกิเลสเนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่เสมอแม้กระทั่งเป็นความทรงจำ ม, มั่นหมายว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมในส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาน่าขึ้นมาว่าโอ้ฉันฉันนี่ดีฉันนี่ประเสริฐกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้โดยตัวมันเอก็เป็นกิเลสซึ่ง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 เริ่มคิดและทำไงถึงจะเพิ่มน้าหนักตัวให้มากขึ้นทั้งๆที่อาการเพิ่มน้ําหนักนีก้มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวนี้ซ้ําหนักสองสามรอยกิโลมันจะไปไหวยงได้ยังไงไแต่เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็น น, นี่แล้วมันก็เมื่อเวลาจะเสื่อมหรือจะมีคนมามาชิงตําแหน่งแทนก็กลับเป็นทุกข์ ทำในสิ่งซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้ซ้ำลองดูเถอะอย่าว่าแต่การเป็นคนเก่งเป็นทิปดีเป็นประหลัด ก, กระทรวงอะไรเลยหรือเป็นรัฐมนตรีแค่เป็นคนที่ผมยาวที่สุดในประเทศนี่มันก็ทุกเหมือนกันนะพระพุทธองค์เนี่ยถึงเคยตอบคำถามของพรามว่าพระองค์นี้ไม่เป็นอะไรเลย พรามคนหนึเห็นพระพุทธเจ้านี้ถ้าทางมีสง่าราศีมากก็ถามว่าพระองค์นี่เป็นเทวดาหรือเปล่าพรวงก็บอกไม่ได้เป็นพอมาถามว่านั้นพระองค์เป็นคนทันหรือว่าคนทันนี่ก็ก็เป็นเทวดาอย่างเดียกันแต่ว่าระดับต่ําลงมาหน่อยที่บรรเลงเพลงพระงก็บอกไม่ได้เป็นแล้วตะลงเป็นยักษ์หรือเปล่ายักษ์นี่ก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะพรวงก็บอกไม่ใช่ถามพระองค์นี่เป็นมนุษย์หรือเปล่าพระองค์ก็ปฏิเสธ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 ก็ทให้ทุกได้เหมือนกันเคยมีมานี่มามาบอกพระเทลีรูปหนึ่งบอกว่าอย่าปฏิบัติธรรมเลยนะผู้หญิงอย่างท่านอย่าปฏิบัติธรรมไปได้แค่ไหนพระเทลีท่านนั้นก็ท่านก็บรรลุธรรมแล้ ว, ท, ท, ลวท่านก็บอกว่าพระพุทธวัตรผู้ใดที่ยังสาคัญว่าตัวเองเป็นบุรุษเป็นสตีหรือ ย, อยังสาคัญว่าเรามีอยูนะ่ขอให้มานี่ไปพูด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 ท่านเวหลางี้ท่านพูดไว้น่าสนใจคือเคยมีคนเขียนสโลว่าจิตนี้เหมือนกับกระจกต้องหมั่นเช็ดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ฝุ่นนี่มาเกาะแต่ท่านเวลางนะ่ะซึ่งเป็นสังฆปรินายกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นไครเป็นอะไรทั้งสิน้นเป็นพระเป็นพระชั้นพูดน้อยท่านก็เขียนสโลว่าว่าจิตนั้นอาใช่กระจกใหม่คือไม่มีกระจกอ่ะมันไม่มีกระจกตั้งแต่แรกแล้ว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 เรากำลังเอากระจกมาวางที่จะลองรับแรงกระทบกระแทกถูกาาาถก็ด่ามาถูกก็พูดจาด้วยถ้อยคำไม่ไพเราะไอ้ถ้อยคำนั้นมันก็เข้ามากระแทกกระแทกกระจกอาจจะไม่แตกแต่ก็สัตวันหรือว่าเ้ามองด้วยอาการที่ไม่เคารพสายตาเช่นนั้นมันก็เข้ามากระทบ มากระทบกับแล้วก็กระทบกับตัวตนที่ไปไปสร้างเอาเองในใจนั่นถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับมีเป้าที่จะให้อะไรต่ออะไรมากระทบกับแทกได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะโดยทางตาโดยทางหูโดยทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้กระทั่งโดยการคิดเอาถ้าเป็นแค่ความคิดนี่มันก็เหมือนกับสิ่งที่มากระทบกับตัวตนได้เขาไม่เขาไม่เคารพฉันเขาไม่ทักฉัน เขาไม่มีสำมาคารวะกับฉันหรือว่าเขาไม่เห็นความดีของฉันให้ตัวฉันฉันนี่มันคือเป้าที่ทำให้เราทุกข์ได้เพราะมันเหมือนกับเรามีกระจกที่คอยรับไม่ใช่แค่คอยเป็นที่ที่ให้ฝุ่นเก า, เาะเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นที่รองรับเศษทินเศษตัวเศษทรายที่เข้ามากระแทก บางคนก็โดนกระแทกจนแตกเลยเพรไปสร้างตัวตนขึ้นมาลองรับเอง <c oughs> บางทีมองให้ดีจะไปว่าจะไปว่าเศษหินเสรศษปวดเศษทรายก็ไม่ได้นะเพราะเราไปเอาไปวางกระจกไว้ขวางทางเขาเองแต่ถ้าไม่มีกระจกตั้งแต่แรกแล้วมันก็ไม่มีการแตกเหมือนกับถ้าไม่มีไม่มีตัวชันแล้วมันก็ไม่มีพูดทุกข์อ่ะมันมีแต่ความทุกข์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 อยากเข้าไปเป็นที่หลวงพ่อคำเขียนพูดอยู่เสมอว่าให้เป็นผู้เห็นอย่าอย่าเป็นผู้เป็นเห็นเฉยเมื่อเห็นแล้วเห็นด้วยสติมันก็ไม่เข้าไปเป็นอถ้าเป็นแล้วมันก็ยืดยาวเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ดีที่คนเขานิยมกันคมเขียนนั่นก็เลยบอกวเนี้ยันไม่มีไม่เป็น ไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นไอ้มีนี่ก็ทุกเหมือนกันนะคาว่าของเรามีก็คือยึดว่าเป็นของเราก็ทุกมีอะไรก็ทุกทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เรามีนั้นมาไม่เที่ยงและยิ่งไปเสริมความเป็นของเราเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำให้หลงเข้าไปใหญ่มีร้อยอย่างก็ทุกร้อยอย่างโดยเพราะมีด้วยความศีนเ ส, ส, ส, สน่ ห, หาหรือด้วยความอยาก ด้วยความรักไม่จะเป็นของหรือผู้คนนางวิสาขาเนี่ยก็เคยทุกข์ทุกข์เพราะว่าหลานคนโปรดนี่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากก็เศร้าเหมือนก็บร้องไห้เพราะคือเจ้าถามก็อธิบายว่าเนี่ยนางวิสาขาก็อธิบายว่านี่เศร้าโศกเสียใจเพราะหลานตายพุกเจ้าก็เลยถามว่าถ้าเกิดคนในหนึ่งสาววัตถีนี่ ดีเหมือนหลานของนางวิสาขานางวิสาจะรักไหมหนางวิสาขาก็จะรักรักเหมือนหลานพระองค์เลยถามต่อไปว่ารู้ไหมว่าคนในกรุงสาวพตินี้ตายกันบัรละกี่คนนางวิสาขาก็บอกประมาณไม่ได้พระองค์ก็เลยตอบว่าเนี่ยถ้ารักมากมายอย่างนั้นเนี่ยมันก็ก็มีทุกวันวันนึงนี่ไม่ทุกมากมายเพราะคนรักนี่เขาจากไปหรอกหรือแล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยมี รักร้อยอย่างก็ทุกร้อยรักเก้าสิบก็ทุกเก้าสิบรักแปดสิบก็ทุกแปสิบรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งนะไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์นะไรอันนี้ก็รวมหนึงการไปยึดว่ามันเป็นเราของเราด้วยนะหลานของเราลูกของเราทรัพ ส, สมบัติของเรามีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยแต่ที่จริงท่านไม่ได้หมายถึงการมีแบบมีแบบที่เห็นเห็นอยู่นะแต่หมายถึงการไปยึดนะ อย่างพระเสวีนี่ก็มีก็เป็นเอธทักขันในเรื่องของผู้มีลาภมากนะแต่ว่าก็ไม่ทุกเพราะว่ามีแต่ไม่ได้ยึดเนี่ยไม่ได้ยึดแต่คนส่วนใหญ่มีแล้วไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกนามานเคยพูดกับพระเจ้าว่าชนใดกล่าวถึงสิ่งนั้นว่านี่ของเราชนใดที่มีความคิดเช่นนี้อยู่ย่อม อยู่ในอำนาจของเราเจ้าก็เลยตอบไปว่าชนใดกล่าวถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนผู้กล่าวว่านี้เป็นของเรานั้นไม่ใช่เราหมือนว่าเรานี่เรานี่ไม่ใช่ผู้ที่จะกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเราแล้วก็บอกให้มานี่ก็ให้ไปจะ่ามาข้องเกี่ยวกับพระองค์โรงไม่อยู่ในอำนาจของมารเมื่อใดก็ตามที่ไปยึดว่า อะไรเป็นของเราสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของเรานี่ก็เสร็จมารมารชอบอยู่แล้วมารนี่ก็คือตัวที่ทำให้คนร้อนต้องตกคือในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีนี่ต้องมีให้เป็นนะถ้ามีไม่เป็นคือไปมีด้วยความย่ดนั่นเป็นของเราก็ทุกเป็นก็ต้องเป็นให้ถูกนะคือถ้าเป็นด้วยความสำคัญยึดมั่นว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่โดยอุปทาน ด้วยกิเลสก็ทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นถ้พูดอย่างภาษาธรรมคือไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไม่เป็นเพราะมีสติและปัญญาเข้าใจว่ามีและเป็นนั้นมันเป็นทุกข์อันนี้หมายถึงเป็นภาษาธรรมคือมีด้วยความยึดนะบางคนก็มีแค่กะโหลกกะลาใบเดียว ก็ยังทุกข์เพราะไปยึดมั่นถือมั่นในกะโหลกศรานั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะทุกข์น้อยกว่าคนที่มีหลายใบเพราะว่ามันมีมากก็ทุกข์มากอย่างที่ว่ามาแต่จริงๆแล้วที่มีนี่หมายถึงไม่ใช่มีในครอบครองแต่ว่าใจมั น, ป น, ปนไปยึดเอาไว้ไปยึดในความมีความเป็นถลวงพ่อคำเตียงก็เลยว่าไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็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 เกิความยิ่มันสาคัญหมายเป็นนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังหรือว่าปฏิบัติธรรมเด็กวันพอมีหน้าใหม่มาอะละอยากจะไปสอนเขาละสมัยกเคยเป็นปฏิบัติธรรมใหม่ๆที่ว่าสนามในอยู่ปฏิบัติได้อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ว่าสนามในนี่วันเสาร์อาทิตย์นี่จะมีคนมาปฏิบัติธรรมสมัยก่อนกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมนี่จัดปฏิบัติเสาร์อาทิตย์ ที่วัดสนามในจะมีคนใหม่ๆอันทีก็มีเพื่อนมาให้เรานี่ปฏิบัติธรรมยังไม่ไปถึงไหนเลยอาเห็นเห็นพวกนี้มาก็อยากจะเข้าไปสอนะ่ะเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแค่สองคนที่นั้นละ่ะมันเกิดความเกิดมานะถือตัวขึ้นมาว่าฉันนี่มีประสบการณ์มากกว่าพวกเธอซึ่งเป็นเด็กใหม่อันนี้มันโดนกิเลสหลอกไปละ เองยังเอาตัวไม่รอดเลยจะไปสอนเขาบางทีนักปฏิบัติธรรมเราก็เผลอไปเหมือนกันนะเห็นใครมาก็อยากจะเข้าไปสอนบางทีเราก็สําคัญว่าเออฉันเป็นอาจารย์ก็มันก็มีอยากจะความเสื่ออยากเข้าไปสอนอยากจะพูดพูดพูดพูดอ่านี่โดนมันหลอกเข้าไปแล้ะให้ความเป็นนั่นเป็นนี่เพว่าเราเผลอ ไม่มีสติเพราะเราไปมีอุปาทานว่าต้องเป็นอาจารย์เดีเ๋ยวถึงจะดีหรือต้องเป็นนักปฏิบัติจำเดีเ๋ยวถึงจะดีอันนี้ก็ต้องก็ได้สิ่งที่ปรากฏจิตใจของเราเนี่ยในแต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละนะมาเป็นครูสอนเราแล้วเราก็จะเห็นเห็นลึกไปเรื่อยๆไปเรือเห็นลึกไปเรื่อยแล้วโอ้เอ็ตัวนี้มันมันหลอกเราได้นะนี่เป็นกิเลสเนี่ยก็ไม่ต้อง ทำให้การปฏิบัติของเราซับซ้อนนอกจากว่าเราปฏิบัติเสมือนหนึ่งเราอยู่เยวอยู่บนชายหาดแล้วมองดูคลื่นอย่าไปอนาทาร้อนใจว่าคลื่นมันจะเล็กหรือจะใหญ่อย่าไปคิดจัดการกับคลื่นมาหรืออย่าไปคิดว่าจะโดงไปเล่นกับคลื่นโต้คลื่นวางใจไปดูแบบขาดูคลื่นซัดเข้ามาคือเล็กคลื่นใหญ่มันมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีอะไรนั้นแหละเวลามันก็ตับไปมันจะอยู่ไม่ได้นาน